บันดิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพทธาสิตสัปบัทเวสัปปุริษาวชันตินากามกามาละปะยะนันติสันโตสุเคนะพุทธาอัทวาดุเคนะนะอุจจาวจังปณนิตาดัสยันติแปลความว่าสัตว์รุษทั้งหลายย่อมเลิกละ คือไม่ติดในธรรมทั้งปวงผู้สงบแล้วย่อมไม่เพอเพราะความใคร่ในกามบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคําว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตตบรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาป ท่านจึงเรียกว่าปุญญาปาปะปาฮิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ม่ได้ติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงทำเป็นประดุดเรือหรือแผสําหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมข้อฉันนั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแผ สังสารวัตรเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัตว์บุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อาธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมข้อสรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอาธรรมก่อนแล้วจึงจับ ละทาในภายหลังถ้าละทําก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้างฝั่งลังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพอเพราะความใข้ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้า เป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบนเพลํำพันถึงได้อีกรวงจิตของท่านสงบผ่องแผวจากกามความจริงในชีวิตของผู้โดยชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความไข่ในกามมันทำให้คนเสียคนมามากต่อม า, กก า, มาแล้วพุ้โดยชนบนเพอและทะเลาะ ก, กันก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคาว่ากาม ที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมวัตถุกรรมคือสิ่งอันหน้าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะกิเลสกรรมคือตัวความใคร่เพราะความดาริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปตราคะคนที่บ่นเพอ้อหาการเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกรมกระทบกระทั่งอยู่เสมอ เสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่นบ่นเพ้อเองและไม่ทําผู้อื่นให้บ่นเพอ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทําผู้อื่นให้ติดใจตนในบาดคถาที่สามและที่สี่ว่าบันดิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจะยังโผพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกูศ่บ้าง สุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสําหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคนสุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสําคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดําเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์ การจะบปรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดําเนินชีวิตและการดํารงชีวิตของเขานั้นพวกฮิโดนิสเห็นว่าความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกทิโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอนํามากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้ พระพุศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนจ้องการความสุขเลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้สแสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่สแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทําอย่างไรก็ตามสุขทุกทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องวางไว้ให้เมื่อใดใจเปลี่ยนด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกขประสบทุกข์ก็ไม่ซบเสามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพิสูจห้าร้อยรูป ในสมัยปฐมโพธิการคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกแรกพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเวรัญชพรามทูลอารัธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพรามได้ลืมเสียตลอดภาาาดรรษาไม่ได้มาบุงไม่ได้ดถวายอะไรแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบ ก, กับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุพพิกภัย ในเมืองเวรัญชาอีกด้วยพิสูจนทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนไม่ได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่ที่มีงวนดินดีมาให้พิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคลานะ ประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตตรกุรุทวีคคือกรุงเดนฮีในปัจจุบันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาสดาได้อาศัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานํามาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไกลมากคือสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่น จึงกล่า บ, บอกเวรัญชพรามพราหมณ์ระลึกขึ้นได้ว่าได้ทุนอาราธนาพระสัสดาและภิกษุสงฆ์ห้าร้อยอยู่จำพรรษาแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระสัสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวา ย, ายาทัยทธรรมเป็นอันมากพระสัสดาเสด็จาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศล ได้รับการต้อนรับจากชาวสาวถียางโมโหลานพิสูจทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประนีจากชาวเมืองแต่ท่านเหล่านั้นมิได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัดห้าร้อยคนบริโภคอาหารอันประนีที่เหลือจากพิสูนแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโห่ร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่าง เราพุทธแต่อาาจารย์ทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสมบเสงี่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและขราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแ ล, ล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยน้ํำหางใจความว่า พวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากรูปจันที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้มาอาชาไนแล้วมีรถน้อยเ ม, มาามคือขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทบแม่ดื่มน้ำอันมีรถรณิตก็ไม่ได้แสดงอาการเ ม, มาายหรือหลงติดในรถนั้นข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาิเร็วดื่มน้ำมีรถน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชาัยมีตระกูดี แม้ดื่มน้ําอันมีรสเลิศแล้วก็หาเหมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์กล่าวทูพลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถามในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ําหางกล่าวคือความรู้บ้างยศบ้างลาบบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาบยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทําตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึง ยกตนข่มผู้อื่นพระเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมาร่าจัดลบหลูค่คณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาบและตําแหน่งดีและสูงเพียงใดก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทําประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนมาสินทบชาติอาชาในไม่เมาแม้ในน้ําอันมีรสเลิศ ทศศาาตรัสวาโลทกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพะทเวสัพ ป, ปริสาวะชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น